ครับบายก็ผมในทุง่งมุ่งการปฏิบัติเนาะบางทีเราเราฟังนะบางทีเหมือนจะเข้าใจแต่มันอาจจะยังเข้าใจผิดก็ได้นะหรือบางทีบางอย่างมันก็ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดบางทีแล้วก็ประสบการณ์เย น, น, นะประสบการณ์ที่เราได้ลองคิดลองปลูกนะ ลองทำทำรูปๆทำทำดูนมันจะเกิดความชำนาญนะที่จริง ม, มันเป็นมันเป็นเรื่องของทักษะนะการปฏิบัติธรรมมันทั้งเป็นเรื่องศาสตร์แล้วก็เรื่องของศิลปะด้นะมันคนไม่ไม่ฟังไม่รู้ทำอย่างเดียวก็พลาดนะพลาดเพราะอะไรมันไม่รู้หลักแล้วก็ไปทำแบบรุ่นๆเดาๆอาก็เลย หาทางไม่เจอเหมือนมันก็เชื่อว่าอย่างสมัยก่อนพราก็จะเจวท่านตรัสรู้ก็คงมีหลายคนะที่อยากจะหาทางออกจากความทุกนะข์เนาะก็ไปแสดงหาแนวทางนะไปสดข้าวสดน้ําไปมองเพ่งเพียนหรือว่าไปคิดว่าทางไหนเป็นทางที่จะพ้นจากความทุกนะข์แล้วก็เขาทำกันไปนะก็ยังไม่พบทาง อันนี้คือบางทีถ้าไม่มีผู้รู้มาบอกเนกี่ยก็เรียกว่าหาทานเองไม่เจออหรือบางคนมีผู้รู้บอกแต่ท่านไม่ทํานะก็ไม่เป็นเหมือนกันนะมันจะต้องลองลองทําดูเพราะบางทีสิ่งที่ท่านพูดท่านก็พูดถูกแต่ใจในของเราเองนี่แหละมันก็ตรถูกหรือเปล่ามันไม่รู้อนะบางทีสิ่งที่พูดนะมันก็ มันเป็นสภาวะของผู้ที่รู้แต่สภาวะเราบางทีกิเลส ก, ก็อาจจะหลอกก็ได้นะบางทีบอกให้ปล่อยวางนะบางทีเราก็แบบปล่อยปละเลยก็ได้นะเข้าใจแบบนั้นใช่ไนหะมบางทีทําความเพียร น, นะก็บอกต้องขยันแต่ความเพียรจริงมันก็ขยันแต่ไม่ใช่แบบบ้านะเอนะทําให้มันพอดีแบบไหนนะทําให้มันไม่เครียดแบบไหนนะ คนอยากทำใ ห, ให้ไม่เครียดนะก็ไปคิดก็ต้องแบบทำไปหัวเราะไปนะเล่นไปนะ ค, นคำว่าไม่เครียดก็คือไม่จริงจังเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่านะปล่อยอารมณ์ตามความสุกสนนะานบางทีภาษาธนะรรมกับภาษาคนาทีก็ที่เราก็ต้องใช้คำเดียวกันแบบแต่แต่สภ า, าวะธรรมเนี่ยเ ร, เ, รเราสังเกตดู ลองสังเกตดูที่ตัวเราเองว่าทําแล้วถ้าใจมันมันเป็นปกติปกติคือว่าสภาวะที่มันเป็นอิสระสภาวะที่มันไม่ไปยึดติดไม่ไปเกาะเกี่ยวหรือว่าไม่โดนไม่ใครใครเข้าไปอต่อต้านหรือว่าพยัยหรือว่าตัวเขาไปอยู่กับมันเนี่คือสภาวะที่มัน เป็นปกติจะเรียกว่าสภาวะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้หรือถ้าจะสุขก็สุขแบบสุขภายในนะไม่ใช่สุขแบบเขาพิจินนะอยู่กับความสุขนะเราล อ, ลองเรียนรู้ดูนะใหม่ๆถ้าคนใหม่ๆเลยก็อาจจะลองหาหาจังหวะนะแบบไหนที่เรียกว่ารู้สึกตัวบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจรู้สึกตัวเป็อยงไงบางทีภาษา มันเหมือนธรรมดาแต่สภาวะเราทํำแบบไหนรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือรู้สึกนะถึงการมีอยู่ของร่างกายไม่ว่าจะทำอะไรรู้สึกแค่รู้สึกเฉยรู้สึกมันเป็นผู้ดูเขาไม่ใช่เข้าไปอยู่นะรู้สึกอรู้สึกว่าเขามีอยู่รู้สึกว่าร่างกายไี่มีอยู่อันนี้คือการรู้สึกตัวอย่างหนึ่งหรือรู้สึกตัวอีกอย่างหนึ่งคือ พอใจเผลอไปแล้วรู้สึกตัวว่าใจเราเผลอไปนะไปกับอารมณ์ไปกับความคิดนะแล้วก็กลับมาได้เนะขาเรียกว่ารู้สึกตัวแบบนัน้ลองไปสังเกตดูเองว่ารู้สึกตัวนะคือแบบไหนน่ะลองทําดูหรือถ้าใครรู้สึกตัวอจนะำนานพอสมควรแล้วก็ก็สร้างความรู้สึกตัวให้มันเยอะๆนะแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่ามันจะบู้ รู้แบบรู้สึกตัวแบบเพียวๆทั้งหมดนะบางทีเราก็ทําไปนานๆบางทีก็ต้องระวังบางทีเดินนานๆก็ จ, จะหลงคิดง่ายนะหรือบางทีกระดังได้อารมณ์ปฏิบัติได้อารมณ์บางทีก็อาจจะเผลอไปประคองเกินไปหรือเปล่าเราสังเกตดูมันไอ้ที่เผล่นะก็ไม่ได้ว่าผิดเนาะแต่มันก็เป็น เป็นสภาวะหนึ่งเป็นอารมณ์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมนะบางทีปฏิบัติธรรมไปมันเห็นนั่นเห็นนี่เข้าใจเป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดมันก็อยากจะคิดนะพิจารณาให้ควนธรรมะนะแต่บางทีก็หลงไปว่าเรื่อมันมันเป็นธรรมะในสภาวะที่เกิดจากการคิดพิจารณาเท่านั้นเนานะนะแล้วก็ลืมไปนะลืมไป หรือสภาวะบางอย่างมันอยากจะใจดีใจบุญอยากช่วยเหลืออยากบอกคนอื่นนะเฮ้ยหลบไปแล้วเนาะให้ลองสังเกตตุดูดีบางที่ทําล้ามันเบามันสบายมันเพลินนะต้องสังเกตุดยมันเบาแต่เบาก็รู้ตัวอยูเนาะนะถ้ารู้ตัวเยอะก็ไม่เป็นไรแต่บางทีถ้าเบาแล้วดืงตัวเนะเพลิอมันเพลิไปแล้วเนาะเราสังเกตุดู ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะหรือง่วงนอนหรือพุงสร้างหรืออุดหนุนนี่ก็ไม่ใช่ผิดนะมันเหมือนเป็นทางผ่านนะสังเกตมันเป็นทางผ่านมันเป็นทางที่นักภาวนาต้องต้องผ่านนะผ่านผิดเนี่ยนี่เรื่อยหรือบางคนก็จะคิดไปผ่านแล้วเนาะทำไมมันมาเจออีกนะเมื่ี้ก็หลงก็ไปเหมือนเป็นอะไรนะเขาบงกนะุเนาะ หาทางออกไม่เจอนะระดูกด่านนี้ยังไม่ได้นะก็บนกันมาเจอใหม่แต่เราก็เชื่อว่าถ้ารอบแรกเราเจอรอบที่สองเราก็มีทักษะในการที่จะผ่านเขาได้มากขึ้นเนาะเราสังเกตุอย่าอย่ากลัวอย่าหนีมันนะบางคนปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนก็เลยกลัวไม่อยากปฏิบัติทำใช่ไหม ม่งวงนอนนะไม่ไม่เห็นมีความสุขเลยหรือปัจจุบันแล้วมันฟุ้งซ่านคิดมากมันอารมณ์หงุดหนงะิดไม่ชอบนะที่จริงลองเรียนรู้ดูกับมาจริงๆนะมันไม่ได้หนักอย่างที่เขาคิดจนะังเอาสังเกตดูจะเจออะไรก็ได้แต่นะลอนเรียนรู้อยู่ประมาณดูมันดูเป็นยังไงเดีย๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะ เราใช้เวลาปฏิบัติกัน20นาทีก่อนนะเราหลับาปนั้นเรามีสื่อข้อคิดธรรมะจากครูบาอาจารย์ให้เราได้ดูเป็นเรียกว่าเป็นคอบรรยใจแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราก็อาจจะนั่งเป็นหลักนะนอกจากใครไม่ไหวจริงๆว่าเบินมันก็ได้แต่ผมมีพื้นที่ไม่มาก หรือถ้าใคอบอกก็ได้นะถ้าเป็นคือของหลวงพ่อกำกัเขียนนะถ้าใคทคิดว่าอยากจะปีกตัวไป็ภาวนาข้างบนเลยก็ได้นะนะว่าเราเคยดูแล้วนะก็ก็ปีกตัวก็ได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บังคับไม่ต้องดูใครอยากจะขีดไปภาวนาตอนนี้ก็ได้นะไม่ขึ้นไร แต่ก็ให้เราได้ตั้งใจทำงานจริงๆนะให้มันต่อเ น, นื่นองนะ